ไม่ไม่ใช่ลอยไปแบบดาวตกที่เราเรียกว่าผีพุ่งใต้อย่างนั้นยังช้ามากเพราะวิญญาณที่จะไปปฏิสนธิในภพใดภูมิใดเนี่ยไปรวดเร็วชั่วขณะจิตเดียวก็ถึงแล้วเหมือนเรานึกถึงเชียงใหม่ก็ชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นจิตก็ถึงเชียงใหม่แล้วไม่ใช่นึกหลายๆขณะจิตเป็นกิโลกิโลอย่างนั้นพอนึกปั๊บก็ถึงทันทีเนี่ยเรื่องจุติปฏิสนธิก็มีลักษณะอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าที่สุดของ ลมหายใจนั้นเกิดขึ้นโดยอำนาจแห่งจุติจิตก็คือตายนี่เป็นวิธีที่จะกำหนดวินิจฉัยว่าคนเนี่ยตายแล้วหรื อ, อยังทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตนั้นเป็นจุติจิตเพราะว่าเรื่องนี้เคยมีปัญหาเมื่อในสมัยพุทธกาล พระอริยเจ้าถ้าไปนั่งเข้านิโรธถ้ามาบัติอยู่พระที่เข้านิโรธถ้ามาบัติเนี่ยไม่มีลมหายใจนั่งตัวแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นอ่ะเด็กเลี้ยงควายคิดว่าพระนี่มานั่งตายแล้วไม่มีใครเผาให้สงสารเอาฟืนมาสุมซี่เสร็จแล้วจุดไฟเผาลุกไหม้หมดจนะทั่งไฟเนี่ยมอดลงพอไฟลุกโชดช่วงก็คิดว่าไหม้หมดแล้วมอดลง แล้วก็ต่างคนต่างกลับบ้านลุงขึ้นเช้าพระท่านออกบินธบาติออกจากนิโรธสมาบัติออกบินธบาติชาวบ้านแตกตื่นตกใจว่าเอพระรูปนี้เมื่อวานนั่งตายอยู่เราก็เผาแล้วทําไมถึงมาออกเดินบินธบาติได้บางคนก็บอกผีหลอกอีกแล้วอะไรล่ะเนี่ยเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องลมหายใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยังวิจัยได้ไม่แน่นอนว่าคนนี้ตาย โบราณเราจริงไม่ด่วนทําอะไรมากกับผู้ที่ตายบางทีต้องดูถึงสองวันสามวันว่าจะฟื้นไหมแต่ถ้าไปพูดอย่างนั้นหมอปัจจุบันก็บอกคลึกไปแล้วโบราณไปหมอบอกว่าตายก็ต้องตาย <c ười> ใครอย่าไปเถียงหมอไม่ได้แต่ว่าโบราณอนะ่ะบางทีคอยถึงสามวันฟื้นก็มีได้ผลเหมือนกันงั้นการวินิจฉัยคนตายเนี่ยต้องวินิจฉัยกันให้ละเอียดว่าเี่ยตายแล้วหรือยังแม่แล้วหรือยัง ถ้าแน่แล้วจึงจะทำอะไรต่ออะไรได้ถ้ายังไม่แน่ก็อย่าเพิ่งไปแตะต้องเนี่ยเป็นเป็นที่สุดแห่งลมทีนี้ผลอีกประการหนึ่งของผู้ที่เจริญอานาปานสติกมรมฐานเนี่ยสรับผู้ที่ฝึกฝนอนาปาณสติกรรมฐานมาดีจนถึงวิชาและวิมุตต์แล้วนี้สามารถกำหนดเวลาตายได้คือจะตายเมื่อไรเนี่ยรู้ เรามีคำพูดกันอยู่คำหนึ่งถึงความสิ้นสุดของสิ่งต่า ง, างๆเช่นสิ้นสุดแห่งสัญญาสิ้นสุดของการกระทาเนี่ยเราเรียกว่าขีดเส้นตายไว้ให้แล้วคำว่าขีดเส้นตายเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยความจริงเอามาจากอสตกถาเขามีจริงๆขีดเส้นตายไว้ แต่ว่าการขีดเส้นตายนั้นไม่ใช่ขีดเส้นตายด้วยอาการดังกล่าวดังที่เราใช้กันในทางโลกปัจจุบันนี้ว่าเราขีดเส้นตายให้ฝ่ายนั้นอยู่ตรงนี้และต้องตายแน่ขี่เส้นไว้ให้แล้วเกินเส้นนี้ไปไม่ได้ต้องตายแน่แน่ในอัตถกถาท่านบอกว่าเ อ, อมีเรื่องปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกบอกมีพระภิกษุสองอ ง, องค์เป็นพี่น้องกันทั้งสององค์เนี่ยท่านเจริญอาณาปานสติ ปฏิบัติอนาปานสติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งเดือนงายพภิกสุทั้งสององค์พี่น้องเนี่ยอีกองค์หนึ่งก็ไปเดินจงกรมมีเพื่อนพระภิกษุนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยหลายคนด้ยวยกันเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งภิกษุองค์ที่เจริญอนาปานสติเนี่ยท่านก็กำหนดรู้ทันทีว่าท่านจะนิพพานในวันนี้ ถ้าพูดตามภาษาเชื้อบ้านก็คือท่านจะตายในวันนี้ท่านก็แง น, น้าดูพระจันทร์เพราะแงน้าดูพระจันทร์ท่านก็ถามพระภิกษุบอกว่าท่านเคยเห็นพระอรหันต์นิพพานด้วยท่าไหนบ้างภิกษุเหลนั้นบอกผมเคยเห็นพระอรหันต์บางรูปท่านหเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วก็นิพพานบางองค์นอนบนอากาศแล้วก็นิพพานเคยเห็นองค์นี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านอยากจะดูอีกสักอย่างหนึ่งไหมคือเราจะเดินนิพพานให้ดู แล้วท่านก็ขีดเส้นข้างหน้าขีดเส้นที่ท่านยืน อ, อยู่เส้นหนึ่งแล้วก็สีดขีดเส้นที่ท่านจะเดินจงกรมไปถึงในอีกเส้นหนึ่งท่านบอกว่าเมื่อเราเดินไปถึงเส้นนั้นแล้วแล้วเราเดินกลับมาถึงที่ตรงนี้เราจะนิพพานทันทีขีดเส้นไว้พอขีดเส้นแล้วท่านก็เดินจงกรมเดินไปถึงเส้นที่ท่านขีดเอาไว้แล้วก็เดินย้อนกลับมาถึงเส้นที่ท่านยืนเดิม พอเท้าก้าวเหยียบเส้นนั้นปั๊บนิพพานทันทีนิพพานทันทีเลยเนียเรียกว่าขีดเส้นตายนิพพานก็คือตายนั่นเองท่านสามารถกําหนดรู้วาระได้ว่าจิตเมื่อยกเท้าก้าวเหยียบเส้นนี้แล้วจุติจิตจะเกิดดับทันทีนิพพานเนี่ยที่พระอรหันต์ทำได้อย่างนี้เพราะเจริญอนาปานสติผู้ที่เจริญอานาปานสติเนี่ยมีสติดีเหลือเกินสามารถกําหนดรู้วาระจิตได้ รู้แม้แต่อายุของตนเองว่าจะสิ้นสุดตรงไหนรู้นี่เป็นเรื่องที่เล่าไว้มีในพระไตรปิฎกถึงพระอาหารหันต์ที่ท่านเจริญอาณาปานสติแล้วก็สามารถขี่เส้นตายเส้นอายุของท่านเนี่ยกำหนดได้นี่ก็เป็นผลที่ได้จากการเจริญอาณาปาณสติเนี่ยประการหนึ่งคือการกําหนด ขีดเส้นอายุของตนเองเป็นคุณวิเศษที่นอกเหนือไปจากมรรคผลนิพพานเป็นอาการของผู้ที่ได้รับผลเช่นนี้จากการเจริญอาน า, าปานสติกรรมฐานเนี่ยเป็นผลที่ ท, ท่านได้แสดงไว้ในคำพีพระวิสุทธิมรรคนี้รัะฉะ น, นันผลต่างๆดังกล่าวเนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นจาก เราเจริญอาณาปานสติกรรมาฐานทั้งนั้นแต่เป็นผลขั้นโลกุตรธรรมส่วนในขั้นโลกิยธรรมเนี่ยอย่างน้อยอาณาปานสติก็เป็นธรรมเครื่องอยู่สบายในปัจจุบันชาตินี้ผู้ใดที่มุ่งความสงบเยือกเย็นมุ่งความสุขในปัจจุบันก็พึงกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบางครั้งจิตระวุนวาย จิตอกุศลเกิดก็ให้กําหนดลมหายใจเสียที่ก็ช่วยบรรเทาอกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ให้บรรเทาเบาบางลงได้อันนี้เป็นเป็นวิธีหนึ่งที่ท่านใช้กันมาแต่อดีตฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ปรารถนาความสุขโดยเฉพาะในปัจจุบันชาตินี้แล้วก็ขอให้ทดลองใช้ดูว่าท่านจะมีความสุขได้ไหม เวลาเราเกิดพุ้งสร้างวุ่นวายมากเราก็อย่าปล่อยให้ความวุ่นวายเนี่ยเข้ามาทับถมเพราะว่าเรื่องของความคิดเนี่ยถ้าหากว่ามันสับสนวุ่นวายแล้วก็ทําให้เกิดเวียนศีรษะอาจจะกลายเป็นโรคประสาทโรคจิตไปได้ในที่สุดเราจะคิดถึงเรื่องราวต่างๆมากมายเนี่ยไม่ได้แต่เห็นว่ามันยุ่งมากก็ตัดเสียอย่าไปคิดกําหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้านั่งนับลมเสเลยก็หมดเรื่องทุกอย่างมันก็ สงบระงับไปแต่ถ้าเราไม่นั่งนับลมมันก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดไม่รู้เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรอย่างอาตมาเข้ามาสำนักงานทีนึงขนาดพยายามที่จะขจัดความยุ่งต่างๆเนี่ยบางทีก็มึนไปหมดเพราะโยมมหาอาตมาร้อยคนก็มีปัญหาร้อยปัญหาอาตมาต้องตอบร้อยปัญหา คนนี้ถามเรื่องนี้คนนี้ถามเรื่องนี้ พ, พอยอมถามเรื่องนี้จบอยมมาเรื่องนี้อีกแล้วตับไม่ทันพอออกพอนั่งรถกลับวิทยาลัยเนี่ยเพลียไปนอนทวิทยายสักคืนหนึ่งเช้าขึ้นมืทียังโผเผเลยสมองเพลียหมดขนาดว่าไม่ค่อยจะรับถ้ารับแล้วก็เห็นถ้าจะไปไม่รอดแน่เพราะว่าเรื่องมากมายที่จะต้องคิด นอกจากจะต้องคอยตอบปัญหาคอยปฏิสันถารต่อท่านทั้งหลายแล้วไหนจะต้องใช้ความนึกคิดในเรื่องงานทั้งในด้านการที่เราจะก่อสร้างวิทยาลัยให้สาเร็จรุล่วงไปในด้านการศึกษาในเรื่องปัจจัยสี่ที่จะบํมรุงพิสุสมัมเณนเป็นปัญหาที่คิดอยู่เสมอหยุดไม่ได้หยุดได้ก็คือตอนหลับเท่านั้น พอรู้สึกตัวตื่นก็มีปัญหาต้องคิดทันทีเพราะฉะนั้นถ้าใช้มากแล้วเนี่ยบางทีเสียเหมือนกันเราต้องรู้จักวางรู้จักพยายามหลีกหนีเสียหรือมิฉะนั้นก็ไม่สนใจซะเลยก็ทำให้เป็นสุขได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือนั่งนับลมหายใจนั่งนับลมหายใจซะก็ก็สบายขึ้น พิยมนั่งพูดอาตมาฟังไม่รู้เรื่องหรอกพราะวาไม่ได้ตั้งใจฟังนั่งนั่งฮื้อฮแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกถ้าขืนฟังแล้วก็เสร็จแน่สมองคนรับไม่ไหวหรอกใช้มากก็เสือ่อมแล้วก็อาจจะพังไปใ น, นที่สุดเมื่อไหร่ก็ได้วันนั้นก็บางทีอาตมาก็ต้องสตอบไว้เอาแค่นี้แต่ก็นั่งฟังฮื้อๆแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ นี่ก็เป็นเรื่องเป็นความจริงที่เล่าสู่กันฟังนั้นท่านทั้งหลายที่ปรารถนาความสุขก็พยายามตัดซะบ้างแล้วก็นั่งนับลมได้เสียบ้างอะไก็ดีจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความทุกข์อะไรก็าตามเราจะไปสนใจเสียปล่อยวางซะบ้างนั่งนับลมหายใจขณะที่นั่งนับลมหายใจนะ่ะเป็นกำไรของเราหล่กควบคุมจิตไว้ได้เราก็เป็นสุข เป็นอันว่าอนาปานสติกรมาฐานที่บรรยายมาตั้งแต่ปีก่อนก็มาจบในปีนี้แต่ต่อไปก็จะได้อธิบายถึงอุปสมานุสติซึ่งเป็นอนุสติก้็ต่อไปในวันอาทิตย์หน้าท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้การบรรยายพระวิสุทธิมัสเราก็จะเริ่มศึกษาถึงหมวดธรรม ต่อจากอนุสติสิบประการอนุสติสิบประการนั้นเราได้ศึกษากันจบไปแล้ววันนี้จะได้ขึ้นหลักปฏิบัติอีกหมวดหนึ่งที่เรียกว่าโพรมวิหารธรรมการเจริญพรมวิหารธรรมนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิจิตอีกวิธีการหนึ่งซึ่งในสมัยก่อนนี้ พระเถระส่วนมากได้ใช้หลักปฏิบัติหมวดนี้ควบคู่กันกับการเจริญอนุสติอันมีพุทธานุสติเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะศึกษาได้จากชีวประวัติของพระเถระในอดีตลหลายรูปด้วยกันที่ท่านเชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติธรรมและนอกจากจะเชี่ยวชาญทางด้านปฏิบัติแล้วผลที่ไดจากการ จะเดินอนุสติเหล่านั้นยังบังเกิดคุณอีกหลายด้านซึ่งเป็นคุณวิเศษสำหรับพระเถรานุเถระในสมัยนั้นเช่นจะขอยกตัวอย่างพระเถระรูปหนึ่งในสมัยอดีตคือสมเด็จพระสังฆราชไกรเทือนสุกยานสันวรซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุนี้ และดูเหมือนว่าพระตำหนักนี้จะเป็นที่ประทับของท่านมาครั้งหนึ่งด้วยสมเด็จพระสังฆราชไก่เทือนสุขยานสังวร น, นี้ เ, เป็นพระเถระที่เคร่งครัดทางด้านการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเจริญอาณาปานสตินอกจากจะเจริญอาณาปานสติแล้วพระเถระรูปนี้ยังเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูง ที่เรียกขันว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อนนั้นก็เพราะว่าด้วยอํานาจเมตตาธรรมที่สูงนี้สามารถทําไก่เถื่อนให้เชื่องได้คือไก่ป่าไก่เถื่อนเนี่ยคือไก่ป่านั่นเองไก่ป่านเนี่ยมหาท่านเชื่องเป็นไก่บ้านทั้งนี้ก็ด้วยเมตตาธรรมที่ท่านแผ่ไปอันเป็นหลักปฏิบัติในโรมวิหารธรรมหมวดนี้ นี่ยแสดงให้เห็นว่าปรมวิหารธรรมนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการประพฤติปฏิบัติในอนุสติข้ออื่นๆเมื่อเราจเจริญอนุสติข้ออื่นจนกระทั่งเกิดความช่ำชองชมิชมนาญดีแล้วก็อาจจะเจ ร, ริญพรมวิหารธรรมเนี่ยควบคู่กันไปหลักปฏิบัติในปรมวิหารธรรมนี้มีอยู่สี่ข้อด้วยกัน คหนึ่งเมตตาพรหมวิหารธรรมสองกรุณาพรหมวิหารธรรมสามมุทิตาพรหมวิหารธรรมสี่อุเบกขาพรหมวิหารธรรมมีอยู่สี่ข้อในสี่ข้อนี้เราอาจจะเลือกเจริญในข้อใขอดข้อหนึ่งก็ได้ส่วนมากแล้วเรารู้จักธรรมะสี่ข้อนี้ในลักษณะที่เป็นบุคลาธิฐาน คือในรูปของพระพรหมสีหน้าพอพูดถึงพรหมเราก็นึกถึงภาพพระพรหมเท้ามหาพรหมซึ่งมีอยู่สีหน้าพรมวิหารธรรมนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสอนุโรมตามความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นว่าธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของพรหมคือผู้ประเสริฐนั้นก็มีอยู่สี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาธรรมทั้งสี่อย่างนี้เป็นธรรมอันเป็น ที่อยู่ของพรมพหรือของบุคคลที่ประเสริฐปัญหามีว่าเราจะนําหลักโพรหมวิหารธรรมนี้มาเป็นหลักปฏิบัตินั้นได้อย่างไรและการปฏิบัติในโปรหมวิหารธรรมนี่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยอย่างไรบ้างโดยปกติแล้วภายในความรู้สึก ของเราๆท่าน ๆ, ๆทั้งหลายที่มีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันเนี้มักจะมีความโกรธเป็นพื้นฐานอยู่ความโกรธเนี่ยมีอยู่ในปุถุชนทุกคนมีมากบ้างน้อยบ้างบางคนก็โกรธง่ายบางคนก็โกรธยากหรือบางทีโกรธมากโกรธน้อย มีความโกรธเบาบางมีความโกรธที่รุนแรงซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตของพุทุชนเกือบทุกคนผู้ที่จะไม่มีโทสะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นที่ไม่มีโทสะแต่พุทุชนเนี่ยย่อมมีอยู่จะมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองและความโกรธนี้ดูเหมือนว่าจะแสดงออกมากบ่อยครั้ง กว่าความรักเพราะว่าในชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจิตของคนจะถูกความรักครอบงำน้อยกว่าความโกรธมีความโกรธมากกว่ายิ่งถ้าหากว่าเป็นบุคคลชั้นบริหารหรือจะต้องอปกครองคนเป็นจำนวนมากๆไปแล้วความโกรธก็จะมีอยู่บ่อยๆเป็นประจำบางคนก็รุนแรงมาก ถ้าความโกรธนี้รุนแรงมากก็เกิดโทษบางทีก็อาจจะเป็นลมเป็นแรงไปเลยก็มีบางคนโกรธมากจนถึงกับเป็นลมเนี่ยเพราะเหตุว่าอำนาจของโทสะที่เกิดขึ้นเขาครอบงามมีรุนแรงก็เป็นผลร้ายต่อร่างกายและก็เกิดความกระทบกระเทือนต่อระบบประสาทอื่นๆอีกหลายด้านความโกรธนี้เป็นอุศสมูล ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นราก ฐ, ฐานที่จะให้เกิดอภุสลต่างๆเนี่ยได้หลายอย่างคนที่มีความโกรธครอบงำอยู่บ่อยๆก็มักจะมีอภุสนเนี่ยเกิดขึ้นติดตามมาหลายอย่างในหมวดหมู่ของสภาวธรรมเนี่ยถ้าหากว่าโทสะเกิดขึ้นเป็นหัวหน้า ก็จะมีอิสาติดตามมามีมัชชริยะติดตามมามีกุกกุจจะอุทธจกุ ก, กุจจะเนี่ยติดตามมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าความโกรธเกิดขึ้นเป็นมูลหรือเป็นหัวหน้าอกุศลที่จะเกิดขึ้นติดตามมาก็คืออิสามัชริยะและกุ ก, กุจจะจะติดตามให้ผลได้ต่อบุคคลผู้นั้นต่อไปเนี่ยความโกรธเป็นของไม่ดี ถ้าหากว่าปล่อยให้ครอบงำจิตมากแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นคนมีริษยาเข้าครอบงำได้ง่ายนอกจากริษยาแล้วก็ความตรณีเห็นแก่ตัวการไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นก็เกิดขึ้นความเดือดร้อนใจก็เกิดขึ้นร่วมกันกับโทสัต เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตได้จากชีวิตของบุคคลโดยปกติแล้วพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยมีโอกาสศึกษาได้มากะจะสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าใครก็ตามที่เลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กแล้วให้เด็กเนี่ยเกิดโทสะบ่อยๆ อ, อาจจะปล่อยให้เด็กร้องไห้โยเย อาจจะทําอะไรให้เด็กเกิดความโกรธขึ้นกระเซ้าเย้าแย่เด็กให้โกรธเห็นเป็นของสนุกสนานนิสัยเหล่าเนี้จะติดจะติดอยู่กับเด็กเด็กก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีโทสะมากเมื่อเป็นคนมีโทสะมากเด็กพวกนี้ก็จะมีริษยาจะสังเกตได้ว่าแกมีความริษยาถ้าหากว่าใครไม่ดูแลเอาใจใส่แก หรือเกิดแปลใจใส่คนอื่นมากกว่าแกแกก็จะเกิดริษยาพอริษยาเมื่อตอนเป็นเด็กโตขึ้นริษยาอันนี้ก็ติดตามไปอีกพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ขี้ริษยาคนอื่นแก้ไม่หายเห็นใครดีกว่าตนหรือเห็นใครเจริญกว่าตนทนอยู่ไม่ได้ตั้งจิตริษยาคิดจะทำลาย ความสุขความเจริญของคนอื่นอยู่ตลอดเวลานิสัยเช่นนี้ก็ติดตามมาจนตั้งเป็นผู้ใหญ่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ตัวเองจะไปเป็นอะไรก็ตามริษยาอันนี้มันก็จะมีอยู่ภายในจิตเนี่ยถ้าหากว่าเราติดตามศึกษาดูเราก็จะเห็นได้ว่าอากุศลที่เพาะปลูกลงไปสมัยที่เป็นเด็กนี้มันก็จะมาเจริญงอกงามเมาตอนที่เป็นผู้ใหญ่ฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทั้งหลายศึกษาดูชีวิตของบุคคล ที่ประพฤติผิดหรือก็ทําผิดเช่นผู้ใหญ่คนไหนขี้ริษยาเนี่ยและเราเราศึกษาดูภูมิหลังดูว่าผู้ใหญ่คนเนี้จะเดินเติบโตมาอย่างไรพ่อแม่อบรมมายัางไงตอนเป็นเด็กยังไงเราก็จะหาข้อมูลได้พบว่าเพราะว่าบกพร่องในเรื่องนี้แล้วก็มีจิตใจอยู่ในฐานะอย่างนี้เพราะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ขัดเกาลาลําบากเพราะฉะนั้นการเลี้ยงเด็กหรือการเลี้ยงลูกสมัยเป็น เด็กเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้อย่าให้เด็กเกิดโทสะหรือปล่อยให้เด็กเนี่ยร้องไห้กระจององแงอยู่เราจะต้องหาทางให้เด็กนี้มีความร่าเริงแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาแล้วอกุศลต่างๆเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นมากในผู้ใหญ่เราเองที่เป็นคนเจ้าอารมณ์หรือมีโทสะครอบงำมากๆก็มักจะมีอกุศลเหล่าเนี้แอบแฝงอยู่ จะมากน้อยจะมีแอบแสงอยู่ภายในจิตฉะนั้นเรื่องของโทสะนี้ถ้าเรามาพิจารณาถึงโทษที่เกิดขึ้นแล้วคนที่มีโทสะนี่ไม่ดีเลยโทสะไม่เคยให้คุณแก่ใครมีแต่โทษพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่มีอะไรดีอยู่เลยในโทสะ มีแต่ความชั่วร้ายอยู่ในโทสะทั้งนั้นเพราะว่าคนที่มีโทสะเข้าครอบงําเนี่ยจะเป็นคนดุร้ายและสามารถที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้สามารถที่จะฆ่าได้แม้แต่บุปการีของตนด้วยอํานาจของโทสะเนี่ยเพราะฉะนั้นโทสะเป็นของไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านผู้ใดแล้วก็จะประทุษร้ายจิตใจ สัตว์ร า, ายผิวพันธุ์ของบุคคลเหล่านั้นนะ่ะให้เสื่อมเสียไปคนมีความโกรธมากๆจิตเด้าร้อนเป็นทุกข์ผิวพันธุ์เศร้าหมองชีวิตจะอยู่ด้วยความหม่นหมองตลอดเวลาไม่แจ่มใสแล้วก็มักจะเป็นบุคคลที่ประสบกับโรคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างติดตามมา เ, เพราะฉะนั้น เราจึงควรหาทางว่าทํายังไงโทสะที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยที่รุนแรงเนี่ยจะได้ลดน้อยลงเพราะถ้าหากว่าปล่อยให้ครอบงํามากแล้วจะเกิดผลร้ายแก่ชีวิตอย่างยิ่งเราจะทําอย่างไรจิตจึงจะไม่ถูกความโกรธเหล่าเนี้เข้าครอบงำทีนีความโกรธนี่ กินความกว้างขวางมากในทางสภาวธรรมนี่แม้แต่บุคคลที่ประสบกับโสกปริเทวนาการต่างๆอยู่เสมอเป็นประจำโสกปริเทวนาการเหล่านั้นก็เกิดด้วยอำนาจของโภสะเช่นถ้าถามว่าคนที่ร้องไห้เนี่ยร้องไห้ด้วยจิต ด, ดวงไหน กุศลดวงไหนเกิดจึงทําให้ร้องไห้เราก็ต้องสังเกตดูอีกว่าเหตุแห่งการร้องไห้ของคนคนเนี้ร้องไห้มาด้วยสาเหตุอะไรเพราะว่าเหตุให้คนร้องไห้นี้ก็มีหลายเหตุบางทีได้อะไรที่ตนเองไม่คาดวันมาก่อนดีใจมากก็รอ้องไห้สูญเสียอะไรไป หรือพบกับสิ่งที่เราไม่พอใจก็ร้องไห้บางทีปีติเกิดมากก็ร้องไห้ร้องไห้ด้วยเหตุหลายอย่างในกรณีของบุคคลที่ร้องไห้ด้วยความดีใจก็ดีหรือด้วยปีติปราโมชในกุศลที่ตนเองกระทาไว้ก็ดีอาการร้องไห้เช่นนั้นไม่ได้เกิดมาจากโทสะมุรจิต โทสะมุรจิเนี่ยเกิดขึ้นจากบุคคลที่ประสบกับอนิจฐานลมเช่นบางทีถูกเขาดา่าก็ร้องไห้ถูกเขาว่าก็ร้องไห้ถูกเขากันแกล้งก็ร้องไห้หรือสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเองรักพอใจก็ร้องไห้อาการร้องไห้อย่างนี้เกิดมาจากอกุศลจิตที่เป็นโทสะมุรจิต น้ำตาทั้งสองประเภทเนี่ย <c oughs> ทางธรรมะท่านใช้คำว่าน้ำตาร้อนกับน้ำตาเย็นน้ำตาร้อนนั้นเป็นน้ำตาที่ออกมาจากอากุศุลจิตคือโทสะน้ำตาเย็นนั้นออกมาจากมหาอคุสลจิตคือปีติปราโมท่างๆเนี่ยเรียกว่าน้าตาเย็นน้ำตาเย็นนี้เป็นเพศ เป็นเภสัชเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นยาใครดีใจร้องไห้แล้วก็เป็นยาเป็นเพสัชแต่น้ำตาร้อนนั้นให้โทษเพราะว่าไม่เป็นเพสัชจะบอกคนที่ร้องไห้เก่งๆได้ะอะไรมาก็ร้องไห้ดีใจมากก็ร้องไห้มักจะเป็นคนมีสุขภาพสมบูรณ์เป็นคนเจ้าเนื้อ คนอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วก็มักจะร้องไห้เก่งถ้าหากว่าคนไหนที่มีโทสะมากแล้วก็ร้องไห้บ่อยๆมักจะสูบผอมสุขภาพไม่ค่อยจะดีอันนี้เป็นผลทางจิตใจที่มีต่อร่างกายเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของโทสะที่เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์ซึ่งหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นมันก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดมาจากอภุสนะจิตดวงนี้เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นอภุสนะจิตที่เป็นโทสะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องหาทางขาจัดให้หมดไปจากจิตหรือพยายามอบรมจิตของเรานี้ให้เป็นคนที่มีโทสะน้อยลง เรื่องความโกรธเนี่ยคิดว่าสาธุชนทั้งหลายย่อมจะทราบแล้วก็เห็นโทษด้วยกันทั้งนั้นทุกคนก็รู้ว่าความโกรธเนี่ยไม่ดีเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วก็มักจะทำอะไรผิดๆอยู่เสมอบางทีก็ทำอะไรที่รุนแรงไปแต่เราเนี่ยได้แต่รู้ว่าโทสะนี้ไม่ดีส่วนวิธีที่เราจะละความไม่ดีคือโทสะเนี่ยให้หมดไปได้อย่างไรเนี่ยเราไม่รู้ สางุมชนส่วนมากจึงยังคงมีความโกรธอยู่เป็นประจำรู้เหมือนกันว่ามันไม่ดีแต่บางทีก็กว่าจะรู้ก็เมื่อสายไปเสียแล้วคือตัวเองใช้ความโกรธจนกระทั่งข่าวของเสียหายหมดแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วเราจึงจะมานึกได้ว่าแม้ความโกรธนี่มันไม่ดีบางทีก็สายเกินแก้เพราะฉะนั้นการที่เราจะ ขจัดความโกรธที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราเองให้หมดไปก็ดีหรือทำให้ลดน้อยลงไปก็ดีจะต้องหาวิธีปฏิบัติหลักธรรมในข้อนี้พระพุทธองค์วางไว้แยบยนต์มากแล้วก็มีวิธีการอยู่รอบด้านถ้าเรานำไปปฏิบัติจริงๆแล้วเชื่อแน่ว่าทุกคนจะสามารถบรรเทาความโกรธได้และถ้าเราบรรเทาความโกรธ เหล่านี้ได้แล้วอายุก็จะยืนไปอีกหลายหลายปีชีวิตก็จะเป็นสุขมากกว่าที่อยู่ด้วยโทสะเพราะคนที่มีความโกรดนี่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีความสุขเลยแต่คนที่ไม่มีความโกรธนี่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตใจก็เป็นสุข การที่เราสามารถขจัดความโกรธให้หมดไปได้เนี่ยก็เท่ากับเราหาทางสร้างชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ให้มีความเป็นอยู่เป็นสุขขึ้นคงจะเป็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติเนี่ยมากมายโทสะที่เกิดขึ้น บ, บ่อยๆเราจะต้องศึกษาก่อนว่าเกิดมาจากอะไรทำไมเราถึงโกรธง่าย เราน่าจะหาเหตุผลว่าทำไมถึงโกรธง่ายในหลักปฏิบัติข้อเนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าคนที่โกรธง่ายนั้นเพราะเป็นคนมีความปด